เอ็สแผ่นที่ยีสาให้คติธรรมหัวข้อว่างานยุติภพชาติไม่ปราศจากสติและปัญญางานยุติภพชาติเป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ไม่ให้ภพชาติของเรายืดเยื้อยาวนานคําว่าภพชาติที่จะยืดเยื้อยาวนานมาจากไหน มาจากกิเลสภายในใจของเราทําให้ใจของเรามีเชื้อเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะความโมหะตัวนี้แหละจะทําให้พบชาติของเรายืดเยื้อเพราะฉนั้นเราจะทําให้ยุติพบชาติให้สั้นลงเราต้องใช้สติและปัญญาสติและปัญญานี่แหละเป็นกุญแจที่จะ ปิดภพชาติไขเข้าไปปิดภพชาติไม่ให้ชาติของเราหยืดเยื้อยาวนานเพราะว่าสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้ตัวยอยู่ตลอดว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรจากนั้นจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อ ใจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วในระดับหนึ่งเราก็นำความสงบมาพิจารณาถอนขึ้นมาในระดับอุปจาระสมาธิแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงที่เราติดในภพชาตินั้นติดที่ตรงไหนติดในการเป็นอยู่ของเราความสุขของเรา ติดในร่างกายของเราในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นว่าพวกเราเนี่ที่ติดภพชาตินติดที่ไหนท่านว่าติดในร่างกายเพราะฉนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายเกสาโลมาเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตลอดถึงมังสังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายทุกส่วนเป็นของเราใช่ไหมถ้าเป็นของเรา ยาแก่ย่าเจ็บย่าตายอันนี้เราต้องบอกได้ใช้ให้อยู่ใช้ฝั่งแต่นี้ร่างกายไม่ได้ไปตามบัญชาของใจเพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผล เราจะรู้ได้เพราะเหตุ น, นั้นกติธรรมหัวข้อในแผ่นที่23สามนี้จึงให้คำว่างานยุติพบชาติไม่ปราศจากสติและปัญญาเพราะนั้นการพูดกติธรรมหัวข้อในแผ่นนี้เห็นว่าสมควรขอยุติด้วยอำนาจคุณพระีรัตน์ตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน